เป็นไงภาวนากันสามหนุ่มโยดีแล้วนะอย่าไปแกล้งทำอะไรขึ้นในค่อยๆปล่อยไปให้หมดเลยเริ่มทำอีกแล้วนะคหมอรักษาจากโรงพยาบาลศูนย์นครมหิดลเขาสนใจอย่างนี้ผมก็เลยพาไปครับเคยฝึกไหมเคยฝึกมาจากไหนมาจากที่เชิดใจทางจิตต่อสู้โรคอ๋อ มาไม่รู้จักเนะฝึกแบบไหนเนะี่ยาแต่มาไม่มีพลังกิตเนาะมีแต่พลังสติสติรู้สึกไปรู้สึกรู้สึกตัวเรื่อยเรื่รู้สึกตัวบ่อยๆนะฝึกแล้วรักษาโรคทางใจฝึกแล้วไม่ทุกโรคทางกายไม่เป็นไรแฮคุณหมอไปฝึกมาแล้วรักษาได้ก็หวังไว้นั่นแหละครับ โลกทางใจโกกิเลสคอยเบียดเบียนคอยแผดเผาใจของคนนะ่ะไม่เคยเต็มอิ่มนะมันจะดิ้นดิ้นดิ น, ดนตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะตั้งแต่เกิดจนตายตอนเด็กๆก็หวังว่าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขอะไรีดิ้นไปดิ้นไปจนแก่นะคุณหมออยู่โรงพยาบาลคงเห็นนะคนไข้เจ็บหนักบางคนนะวุย่ยวายนะตายซะได้จะเป็นสุข หาความสุขมาตั้งแต่เกิดจนตายนะหาไม่ได้หรอกใจใจมันจะไม่เต็มอิ่มแต่มันจะดิ้นดิ้นดินไปเรื่อยนี่ทำไงใจมันจะเต็มอิ่มใ้้มันได้เลิกดิ้นได้ถ้ามันรู้ความจริงนะว่าตัวเราไม่มีมันถึงจะเลิกดิ้นถ้ามันยังคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆรงกายนี้ใจนี้คือตัวเรานะมันก็จะดิ้นไม่เลิกเพราะมันอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นจากความทุกข์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 อ้าใครจะส่งกันบ้านกับส่งกันบ้านไหมกลับเอ๋อดีขึ้นกลับดูไปดูไปเรื่อยๆนะกลับดีขึ้นแล้วแหละค่อยๆรู้ไปจิตเหมือนเรือนะอารมณ์มากระทบก็คลงไปคลงมาเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีอห้ามไม่ได้นะยินดีทีหนึ่งก็ยินร้ายทีนึงอย่างเงี้ยแว่งไปแว่งมา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 ให้อนุสัยเนี่ยไหลเข้ามาสู่จิตได้อาสวะทำลายไปอนุสัยก็ไหลเข้ามาหาจิตไม่ได้กิเลสไม่เกิดหรอกเนี่ยกลอบเคยดูไปนะกลอบดีขึ้นเยอะแหละนะอย่าออกนอกรู้นอกทางนะนอกรู้นอกทางเช่นหาวิธีปฏิบัติแบบใหม่ๆหหาวิธีบังคับกายหาที่วิธีบังคับใจ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 รู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงแค่นี้เรื่องว่าปฏิบัติถ้าเกินจากนี้ไม่ใช่ล้วเกินจากนี้เป็นการหลงความปรุงแต่งฝ่ายกุศลนะอยากจะดีก็ปรุงใหญ่เลยนะกดข่มบังคับเครียดเก็บกดมันทำของง่ายให้กลายเป็นของยากสิ่งที่ทำของง่ายให้กลายเป็นของยากนะท่านเรียกว่าปปั่นจะทำ ทำที่ทำให้เนิ่นช้ามีตัณหาอยากปฏิบัติมากก็ยิ่งดิ้นมากมีทิฏฐิคิดมากก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากเปรียบเทียบไปเรื่อยไม่ยอมรู้กายรู้ใจมีมานะมากถือว่ากูเก่งกูรู้หมดแล้วกูเลยเรียนอะไรไม่ได้เลยหรือกูโง่สุดๆแล้วกูก็เลยเรียนอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะใจฝ่องั้นเราอยาให้กิเลสสามตัวนี้มาครอบงความอยากปฏิบัตินั่นแหละตัวดีเลย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 ดีกว่าไม่รู้เลยรู้ตลอดเวลานะหลวงพ่อจะห่วงมากเลยเพี้ยนฮะไปนั่งจ้องนั่นแหละ อ, อ้าวอ้อปลาทองว่าไงอ้อแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้เสือหรือเพ่งนะดูให้ดีนะทั้งเสือทั้งเพ่งรู้สึกไหมใจก็ยังแข็งแข็งอยู่อะไรนะนั่นแหละมันไปบัคขับตัวเองไว้นะ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 ฟังยากฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องรู้เรื่องหรอกทนทนฟังไป ใ, ใจมันตื่นคิดมาเองอ้อทําอะไรตอนนี้อ้อทําอะไรอยู่เออให้รู้ทันนะนฝนเป็นไงฝนหองใสดีด้วยหัวเราะเลยดีแล้วนะแต่ละคนใช้ได้อ้อก็ดีขึ้นแล้วลนะ่ะ อาคอยรู้คอยดูรู้ทันตนเองสิ่งที่ผิดมีสองงานนะพ่อเหลอไปกับเพ่งเอาไว้นักปฏิบัติเนี่ยชอบเพ่งพอเพ่งแล้วมันจะเกรงเกรงร่างกายก็เกรงเกงจิตใจก็เกรงเกงแข็งแข็งขึง้นมาให้เรารู้รู้ไปเกรงก็รู้นะแต่เดิมเราคิดว่าเกรงเรียกว่าปฏิบัติบางคนชอบนะเกรงเกรงแล้วบอกว่าได้ปฏิบัติ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 เออเออดีละนะเห็นไหมกลายเป็นของถูกรู้ถูกดูใจเป็นคนไปรู้ไปดูนะเบื้องต้นรหัดไปอย่างเนี้ยเรียกว่าหัดแยกรูปแยกนามนร่างกายเคลื่อนไหวไปใจเป็นคนรู้คนดูนถ้ามันมีรูปกับนามแยกกันเนี่ยจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอ้อดูออกไหมกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่ใจไปรู้เข้ากายลดระดับจากความเป็นตัวเรา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 วันหนึ่งจะปล่อยวางไม่เห็นว่ากายเป็นของเราแต่นั้นภูมิของผ้านักขานะใช่ภูมิเราตอนนี้แต่ว่าทรงกันบ้านเป็นไงแลาวแต่ว่าอยากให้ตั้งมั่นแบบไหน <c oughs> เราไม่พูดถึงความน่าจะเป็น เราพูดถึงความเป็นจริงนะนักปฏิบัติเนี่ยอย่าสนใจความน่าจะเป็นนะถ้าความน่าจะเป็นของเรานะสุดขีดเลยเราน่าจะเป็นพระอรหันต์สักทีนี่หนะน่าจะเป็นนะหรือรองลงมาหน่อยเราน่าจะรู้ธรรมสักทนะีรองลงมาอีกหมจิตเราน่าจะไม่หลงเลยทั้งมัน่นทั้งวันทั้งคืนเนี่นล้วนแต่ความน่าจะเป็นนะให้เราเรียนรู้ความเป็นจริงของมันนะรเราไม่ได้ไปมุ่งเอาดีหรอก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 โอ้เจ้าพทุทำไมร่บนี้ดูตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยเขายังติดพ่ออยู่ไหมแล้วนะกรรมของอาจารย์สุรวัตรทำดีก็อุปสรรคเยอะนะอาจารย์เนาะอาจารย์สุรวัตเป็นไงบ้างไม่เป็นไรหรอกนะหลวงพ่อไม่สอนอะไรหรอกทำเอาเอง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 อ้อยนะมีลูกเอานาทีสุดท้ายดีแล้วนะอาจารย์สุรวัตรนานดีแล้วล่ะเออดีเออไม่ห้ามมันให้คอยรู้มันนะเราเดินไปนะเราเดินเอาความรู้สึกตัว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 จะฟันหัวเขาละรู้สึกตัวสบายๆนะก็ก้าวเดินไปเดินไปพอใจลอยก็อจะหยุดก็ได้ารู้สึกตัวใหม่แล้วก็เดินใหม่นะเดินไปเรื่อยรูนะ้สึกความรู้สึกตัวมันจะตั้งขึ้นตั้งขึ้นนะถึงจุดหนึ่งเราก็จะเห็นโดยที่ไม่ได้เจตนาจะเห็นร่างกายที่กำลังเดินอยู่นี้เป็นรูปมอนเดินไม่ใช่เราเดินลนะร่างกายนี้เป็นรูปเดินใจมันเป็นคนดู เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเห็นมันเดินถึงจุดนี้มีสิ่งที่ต้องระวงังก็คือพอ ร, รู้กายมันเดินไปนานๆ น, น, นี่จิตชอบถลำเข้าไปเพ่งกายนี่งั้นเราก็รู้ทันว่าจิตถลำลงไปแช่ที่กายละรู้สึกตัวใหม่หยุดเดินกับรู้สึกตัวนะแล้วค่อยเดินแต่เห็นร่างกายมันเดินอีกหรือว่าเดินเดินอยู่กุศลอะกุศลอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราก็คอยรู้ทันงั้นการปฏิบัติรู้กายไปรู้ใจไป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 ค่ะเมื่อตอนเจอมันต่างเกิดหรือว่ามันมันคุ้มบ่อยมากๆเลยเอออยากหายไหมมันอยากหายเห็นไหมมันอยากแล้วมันรู้สึกถัดใจอ่โทสะก็เกิดให้รู้ทันโทสะไปนะบางทีเรู้สกให้รู้ทันสงสัยแต่นะถ้าโอถ้าเราเคยฝึกดูจิตนะเราปฏิบัติง่ายมากเลยมันจะพลิกแปลงมาไม้ไหนนะมันรู้ทันได้ทั้งหมดแหละแต่กว่าจะรู้ทันทั้งหมดนะโดนหลอกมาทั้งหมดแล้วนะ หลวงพ่อนะหัวปักหัวฟัเลยตอนหัดปฏิบัติเราอยู่ห่างครูบาอาจารนยะ์อ่ะโอ้ยป่าจะเข้าใจแต่ละตัวนะถูกหลอกมาสาหัสะ ก, กันบางตัวนี้นะค้นคว้าพิจารณาอยู่เป็นเดือนเลยใจยังไม่แจ้งใจมันก็เวียนกลับไปสังเกตที่ตัวนี้เรื่อยๆแอบไปหางานทำนี่ทําให้เนุ่นช้านะมันห่วงปัญญามากแต่มันนิสัยนิสัยคนไหนที่จะเรียนไปเป็นครูเขามันจะมีนิสัยแบบเนี้ย